มีเขามีการกระทําขนาดนี้เลยหรือเนี่ยนะก็น่าเลื่อมใสจริงๆถ้าปฏิบัติตามนั้นถ้าปฏิบัติตามพระวินัยปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียกว่าสุ ป, ปัติปันโนโดยที่ไม่กระดากตากจริงๆเพราะว่ากายเนี่ยไม่มีความชั่วทางกายเลยไม่มีความชั่วทางวาจาให้เห็นเลยเนี่ยนะอาชีพก็บริสุทธิ์อันนี้เบื้องต้นพันในส่วนสัมมาวาจาสัมมาตะมันตะสัมมาอาชีวะในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะมีมากมากจริงๆ เช่นยกตัวอย่างให้แค่เอามาสวดก็สองรอยยี่สิบเจ็ดเฉพาะที่เอามาสวดนะแล้วข้างนอกข้างนอกอีกล่ะแล้วส่วนของคาราวาสนะจริงอยู่กายกับวาจาอาชีพไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันต้องรายละเอียดเยอะอนะพูดแต่หัวข้อหลั ก, ลกๆเฉยๆนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยมีมากแต่ศีลทุกอย่างที่เจริญที่ประลบก็เพื่อบรรลุมรคผลเนี่ยนะ ทีละวันตั้งปาตตนาอะไรอุโบสถที่แะ้วะเกิดมารักษาอุโบสถครั้งแรกเมื่อวานวันก่อน ไ, ไหมนะปาตตนาอะไระะปาตตนาบรรลุปาตตนาพ้นทุกบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นดีรตีเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอชีวะเจริญแค่ไหนจึงจะคู่ควรว่ามรรคสามเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์จะต้องเจริญแค่ไหน ให้มันคู่ควรกันนะเนีไม่ใช่วันนี้เพิ่งมาสมาทานศีลก็บอกชัดเนี่ยคือคนดีในพอรรคก็ม า, มาชอบไอ้สัมมาชีวะเนี่ยพองแผ้วนะนึกถึงแล้วไม่กระดากใจเลยอ่ะนึกถึงตัวเองแล้วเคารพตัวเองจริงๆเลยนะถ้าค น, คนที่มีฮิริโอตปะปาเนี่ยเป็นคนที่เคารพตนมากโดยเฉพาะมีฮิริเนี่ยเคารพตนมากะเป็นคนเคารพตัวเองได้พูดง่ายๆว่ากราบไหว้ตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้มันได้แค่นั้น จนกว่าไม่แต่คิดแต่ขววงใจกับตัวเองเลยภาษาธรรมะอีกนายหนึ่งเขบอกไม่รู้สึกกินแหนงตัวเองเลยมันก็เจริญไม่ง่ายนะที่ไม่รู้สึกกินแหน่งต่อตัวเองเลยนะก็มันมีมันมีอหิริไม่รู้อหิริอ่อาอะนะก็บางคนเนี่ยต้องคืนละอายใจตัวเองอะนะเป็นคนที่เคารพตัวเองมากๆเลยคือ ก็บางอย่างเนี่ยเราไม่พูดเพราะเราละอายใจตัวเองที่จะพูดในสิ่งนั้นๆเป็นต้นเนยนะคือถือว่าไม่ละอายตนเองเนี่ยนะฮะลองสังเกต ด, ดูนะอาหารก็กินแล้วอิ่มแล้วหมอีกชามหนึ่งเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยนะเรารู้เลยว่าไม่มีไม่มีหินลเลยอะ่ะไม่มีลีจริงๆอะ่ะไม่มีใครรู้ด้วยครับ ไม่มีใครรู้เพราะาเรื่องฮีเรโอตปะเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ารู้เฉพาะตนอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมในาศาสนาเนี่ยไม่มีใครตรวจสอบใครได้จริงๆเพราะความบริบูรณ์ทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตนความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆอันก็เรียกว่าคำสอนที่เรียกว่าปัดจัดตังค์ะนะ ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคำสอนในพระศาสนาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอับประโลกใครอภิเศกใครได้หรอกนะไม่มีบอกว่าเออเนี่ยคุณนี่บริสุทธิ์แล้วนะไม่สามารถพูดได้จริงๆหรอเบื้องหลังของศีลของเขาเนี่ยฮิริโอตปะเขาแค่ไหนถ้าฮิริโอตปะไม่ดีพอจริงๆเนี่ยจะทายังไงศีลเขาก็ไม่ดี เพราะสีเนี่ยมีเฮริโอตาปะเป็นเหตุใกล้ถ้าเฮริโอตาปะไม่ดีนะอย่าหวังเลยสุจเรศสามจะดีนะนะเพราะถ้าใครอยากจะเจริญสุจเรศสามให้ดีนะไปเจริญกับเฮริโอตาปะให้มากๆถ้าไม่มีเฮริโอตาปะก็ยากเนะนะแต่ถ้าจะมีเฮริโอตาปะเนี่ยนะต้องมีสติสัมปชัญญะแต่ที่จะมีสติสัมปชัญญะได้ขนาดนั้นนะโสุดะต้องพอโยนิโส ต, ต้องมากจริงๆนะเป็นคนที่เราว่าไม่ว่างจากกุศลวิตกทั้งหลาย นะคิดอะไรเห็นอะไรเป็นกุศลไปหมดเลยนะไม่มีระหว่างภาษาธรรมะพงตัดว่ามีสติเว้นรอบแปลว่ามีสติตลอดเวลาเว้นแต่เข้าพวังตกิดมาชาวนะไม่เป็นอกุศลเลยยิ่งคนที่เจริญแบบเชิดชั้นมาตรฐานจริงๆเนี่ยนะไม่มีอกุศลชาวนะเลยเขาก็แบ่งว่ากลุ่มที่ให้อกุศลเกิดหนึ่งชาวนะก็ถือว่ากําจัดอย่างเร็ว สองสามชาวนะถือว่าช้า ม, มากที่ปล่อยให้อกุศลเกิดตั้งสองสามชาวนะเหมือนกันของเรานะ้ยขอเราเนะี้ยท่านนึกได้ภายในครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไวมากเลยนหมไม่ <c oughs> กี่หมื่นล้านโกดชาวนะเองอะนี่ยคือก็เรียนมาในอภิธรรมนะว่าเออถ้าอากุศลจิตเกิดเนี้ยนะไอเจตสิกที่ประกอบด้วยต้องมีอาฮีริกาอานตตปะก็เรียนมาอย่างนั้นนะครับ แต่เวลาเกิดอคุณตนจริงๆเขไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นนรกก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวไม่กลัวอย่างเงีไม่รู้สึกอะไรเลยก็พูดแบบฤๅษีที่เนี่ยนะน้องหญิงนรกไม่ได้เป็นของร้อนสําหรับเราสองคนเท่น า, น, านั้นหรอกตัวกันนะเอาจนได้ใช่ไหมก็มันหนักเข้าจริงๆนะเขาเรยียกว่าอะไรนะเลียหอกยังไม่กลัวเลยวนะ่ามันคือหอกที่จะทิ่มตัวตายเนี่ยนะไม่กลัวจริงๆนะอหิริกะอโนตปะมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่กลัวโดยประการทั้งปวง คือถามว่าไอ้ไม่กลัวเลยนะไม่กลัวแม้กระทั่ง น, นรกนี่มันหนักหนาขนาดไหนนะก็ถือว่าหนักมากเลยนะแต่ก็ในยุคนี้ก็อย่างว่านะเนียเจริญกรรมสกตาลเอาไว้ให้มากๆเถอะชอบหลวงพ่อองค์นึงท่านบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องข้างนอกตัวให้มากนะักฟุกงซ่านนี่มาดูสัมมาวายามะใช่ไหมสัมมาวายามะนั้นก็คือสั ม, มาประธานสี่ อันเกี่ยวกับเรื่องสัมมารประธานสี่นี้ก็รายละเอียดเยอะแบ่งเป็นอะไรบ้างสัมมารประธาน 4. สีนนนน่สังวรประธานประธานสังวรเนี่ยสังวรเนี่ยเพียรสังวรแปลว่าห้ามไม่ให้บาปเกิดขึ้นเนี่ยนะระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเนี่ยสังวรยังไงนะท่านคนที่จะเจริญอินทรีย์สังวรเนี่ยต้องเพียรมากเลยใช่ไหม สังวรเนี่ยเี่ยต้องเพียรสังวรโดยเฉพาะเพียรที่จะเจริญสังวรห้าเพียรที่จะเจริญศีละสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรสติสังวรขันติสังวรเนี่ยจะต้องเจริญสังวรนี่มากแล้วก็ต่อไปตหาณาประธานเพียรละละอะไรละอากุศลนิปปกอันนี้ต้องเพียรจริงๆเลยนะโอเวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเพียรจริงๆแล้วจึงจะข่มมันได้ ถ้ากลขี้เกียจนะกลนอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นนะแล้วก็เหมือนกันอะ ไ, ไฟเนี่ยถ้าตอนที่มันลุกขึ้นเต็มที่แล้วเพียนดับนะมันจะรู้สึกร้อนแต่ให้มันมอดแล้วค่อยๆคิดดับหนะานะก็ไม่เท่าไหร่พันการเพียนที่จะละอกุศลวิตกเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆงนะะเช่นเพียนละกามวิตกเนี่ยนะเพียนละพยาบาทวิตก เพียรละวิเหงสาวิตกเนี่ยนะโบธาคนไม่ไม่ใช่บุรุษอาชาในาจริงๆเนี่ยยากที่จะห้ามไม่ให้อกุศลวิตกตัวเองเกิดขึ้นได้เนี่ยนะหมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วนะแล้วห้ามมันได้สนิทใจเลยเนี่ยเบรกชั้นดีเนี่ยโหยากอันนี้เรียกว่าประหารหประธาน ก็ต้องเพียนเพียนจริงๆเลยนะต้องโอ้ต่อสู้กับมันมากเลยนะใช่แล้วก็ต่อไปอีกก็คือภาวนาประทานภาวนาเพียนภาวนาพ่อชงอย่างต์น้วยนะเพียนเจริญสติประทานเพียนเจริญพ่อชงให้มันเกิดขึ้นเพียนอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะเพียนเจริญพ่อชงเนี่ย ทำยังไงพดชงแต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษณาประทานรักษาพูดง่ายงว่ารักษาสมถานิมิตนะรักษาสมถานิมิตรักษาวิปัสสนานิมิตเอาไว้นะมองทุกอย่างเป็นนิมิตแห่งสมถะมองทุกอย่างเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนาเนี่ยจะต้องรักษาสถานะอันนี้เอาไว้ให้ดีๆ ภาวนาเท่าไรนะจะต้องรักษาไว้เท่านั้นนะมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วรักษาเพิ่มขึ้นแล้วรักษาพูดเอีกหนึ่งหนึ่งนะภาวนาก็คือกลุ่มหาไรายได้ใช่ไหมภาวนาก็คือกลุ่มรักษารักษาทรัพย์ที่หามาได่เะะั้นทั้งภาวนาทั้งรักษาถ้ามองแบบนีิสิตเนี่ยเห็นชัดหนึ่งคือสังวรคือปิดไม่หาอะไรมาเพิ่มก่อนใช่ไหมละก็คือละไอที่มันมีอยู่เคลียที่มันมีอยู่แล้วก็หาทรัพย์เพิ่ม แล้วก็รักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วอันนี้เป็นลักษณะของของเรียกว่าผู้มีความเพียรที่แท้จริงเขา<ๆ>เขาเพียรทํากิจสี่ประการแม้คนที่ที่เรียกว่าคนขยันในโลกนี้นะคนขยันหาทรัพย์นะเขาเขาประพฤติสี่ประการนี่นะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามแต่เขาอยู่ในองค์สี่เนี้ยอันนี้ถ้าพูดเต็มเป็นลักษณะเงินทองอ่ะนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแก้ปัญหาโดยขั้นแรกก่อนปิดการใช้จ่าย อะไรที่มันจะทามาเส้งความพินาศอันนี้คือกลุ่มสังวรก่อนในะ่ระวังเลยดูแลแจเลยคนนี้แล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เคลียร์ให้มันหมดกลุ่มเนี้ยก็ละแก้ปัญหาที่มันมีอยู่ทั้งเอามามาแก้เคลียร์ให้หมดเลยต่อไปก็หาเพิ่มหาให้นั่นแหละและแ้วแที่หามาได้ก็รักษาถ้าทําอยู่อย่างนี้ไม่นานสัปเท่าไหร่ก็รวยตามสมควรแก่การหานะ หาได้วันละหาบาทมันก็เก็บไว้ตลอดวันละหาบาทมันก็รวยเท่ากับคนรายได้หาบาทนั่นแหละจะไปรวยเท่ามาหาเศรษฐีได้ยังไงตามสมควรแก่ที่หามาทันเบื้องต้นนั้นสัมมประธานเนี่ยการเพียรในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยโอ้มันถามว่าจะต้องใช้ใช้ความสา ม, มารถขนาดไหนทั้งสังวรทั้งละทั้งภาวนาทั้งรักษาเนี่ย น, ะนี่เพียรอย่างจริงในเบื้องต้นพอในขณะอริยมรรคก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ เพียนถึงที่สุดเรียกว่าเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยความเพียนในเบื้องปลายคือขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาสติสติประฐานสี่ใช่หมเบื้องต้นสติประฐานสี่พิจารณากายกี่บาพาับาพพะสิบสี่บัพพะเวทนาเก้าจิตสิบหธรรมห้ากลุ่มห้าหมวดห้าบัพพะเนี่ยะ ก็ถามว่าใช้สติขนาดไหนทันสติอนสจัตารยะที่ทางจัตตาโรโอสติปัทานาสติปัทานาก็คือสติมากจริงๆจนกว่าสติอันนั้นจะมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะทันสัมมาสติในเบื้องต้นเนี่ยเจริญมากเจริญเยอะเนี่ยนะเจริญจนกว่าพอบรรลุมรรคแล้วเป็นคนมีทรัพย์เลยนะมีอริยทรัพย์เพียบพร้อมบริบูรณ์เต็มเตี่ยมไม่ลดไม่พร่องเลยส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยนะเบื้องต้นก็เป็น เกี่ยวกับเรื่องสมถะอารมณ์ของสมถะมีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอารมณ์ของการเจริญสมถะนะก็มากพอบรรลุระดับโลกุตระก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ก็พูดถึงลักษณะว่ามรรคเบื้องต้นกับมรรคเบื้องปลายมรรคเบื้องปลายเนยจริงจริงออธิบายค่อนข้างยากที่อธิบายยากเพราะอะไรก็คนไม่มีพูดแต่ แล้วก็ในคำพีปฏิสัมพิธามัชเนี่ยนะพอมาอ่านผ่านทุกครั้งที่อธิบายอริยมัดเปิดเจอเมื่อไหร่ก็ผ่านไม่รู้ท่านว่าอะไรของท่านก็ไม่รู้ไม่เชื่อไปดูอภินญญ ย, ะยะนิเทศทุติยะภานนวาระเป็นต้นไปเนี่ยนะจะรู้เลยอ่านแล้วก็วหน้ามืดหูอื้อตาลายไปหมด การงานไม่รู้เรื่องหรือครับอะไร <c oughs> โหยากจริงนั <c oughs> ่นน่ยต้องมอรถเราม่เหาวไดอที่เรียกว่าไอ้ที่ไม่ค่อยมีอะไรคือเรื่องนั้นเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> อะไรที่เรามองนะมองเพิ่นเพิ่นคลุมคลุมเครื่ อ, เ, อ <c oughs> เช่นเราพูดถึงประเทศบางประเทศนะ <c oughs> พูดแล้วผ่านเลย <c oughs> อันนั้นแปลว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นโดยประการทั้งปวงเลย สมมติพูดถึงใครหนึ่งคนแล้วเราไม่มีคำต่อเลยนะได้แต่เชื่ออย่างเดียวแล้วหยุดอยู่เท่านั้นรู้เลยว่าเราไม่รู้เรื่องคนนั้นโดยประการทั้งปวงธรรมะหมวดใด น, นะที่ฟังแล้วผ่านหูไม่กระดิกหูเลยนะอันนั้นเราโง่ที่สุดคือมา ทุวยของของเก่าดูแล้ทั้งก่อนนี้ก็โอ้โหก็ โ, โ, โ, กโดยเข้าไปจเจริญเลยเยมัดมีองค์ห้าครบหมดเลยการที่จะมาดูแต่และองค์ให้เข้าใจแล้วจ ะ, จะเจริญแต่และอย่างอให้มันพอเพียงกว่านี้นะไม่ไม่มีการแนะนําอย่างนั้นนะการที่โน้ไล่มาเนี่ยแต่กระจายมาเนี่ยมักเนี่ย เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขต้องมาไล่ทีละอย่างอย่างแม้แต่เรื่องเพียนเนี่ยยังยังไม่รู้เลยเขาว่ากุศลมันเกิดขึ้นแล้วได้รักษาไว้กุศลต้องรีบประหาในที่ยังไม่มีก็อย่าระวังไม่ให้มันมีแล้วก็ไม่ค่อยวิถีที่ทันเรื่องนี้เท่าไหร่การเจริญสมถะวิปัสสนายกใหม่นะไล่ให้ทันอารมณ์อย่างเดียวพอนั่นแต่เท่านั้นนะครับแค่นั้นแหละส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้อบรมตัวสภาพจิตที่ไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นสักเท่าไหร่ เน้นติดตามอารมณ์ให้มันทันเช่นเนี่ยเห็นก็กําหนดสีซะนี่แหละก็มีอยู่เท่านี้โดยมากเลยเนี่ยมีสติรู้สีเป็นอารมณ์ไอ้สติเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็มีอยู่ท่าเนี่ยเสียงเนี่ยก็กำหนดให้มันทันกันแล้วกันมันจะใส่ยี่ห้อใส่ชื่ออะไรไปว่าเป็นรูปเป็นนามหรือว่าเป็นสภาวะหรือเป็นอะไรก็ว่าไปก็วิ่งให้มันทันอารมณ์เท่านั้นเองซึ่งสภาพจิตเป็นอย่างไรเนี่ยน้อยนักที่จะเอามาอื มามาไข่ครวนเห็นไหมถ้าสายสมาธิเลยทัดสงบเป็นใช้ได้สงบเมื่อไหร่นะได้บุญมากสงบมากได้บุญมากมันได้บุญเพราะอะไรก่อใหม่รู้จะรักษา ย, ยังไงก่อใหม่รู้ดียังไงก็อใหม่รู้ทั้งมากก็โตเดิกนั้น ก, ก, ก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆท่านการเจริญในยุคนี้นะหรือพิจารณานามธรรมเนี่ยพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าเป็นวัตถุแห่งอวิชชานามทั้งหลายเป็นวัตถุแห่งอวิชชารูปทั้งหลายเป็นวัตถุแห่ง ตันหาคิดถึงรูปก็ตันหาคิดถึงนามก็อวิชชาทั้งอวิชชาทั้งตันหาเนี่ยถ้าบริบูรณ์วัตะก็ก็เจริญอะไรที่เป็นคู่ปรับกับอวิชชาตันหาก็ไม่มีเนี่ยนะไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะเจริญยังไงก็นี่แหละคนยากทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะไม่มีไม่มีเนี่ยนะนยนะถ้าเป็นพูดแบบภาษาชนบทเลยนะไปหมู่บ้านบางแห่งที่เรียกว่าไม่มีข้าวจะหงเนี่ย ข้าวสารไม่มีจะหงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกลับก็จะมีอะไรพูดถึงอะไรไม่มีโดยประการทั้งปวงนี่เลยไม่มีจริงๆนะพูดอะไรมันมีปัญหาไปหมดอะคิดเรื่องอะไรมันมีปัญหาไปหมดคนยากทรัพคนไร้ทรัพย์ในศาสนานี้เป็นอย่างนั้นนื้อถึงธรรมะหมดไหนนึกถึงอะไรก็ไม่มีสักอย่างแล้วก็โดยมากอนุรักษ์นิยมด้วย ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรักปกปักรักษาไอ้ความโง่เขลาได้เก่งขนาดนั้นคนไม่รู้นะไม่ใช่ว่าจะพูดด้วยง่ายๆนะข้อมานะพูดภาษาง่ายๆนะข้มากลัวคนคนเขาที่สุดเลยกลัวจริงๆอ่ะกลัวที่จะต้องไปพูดคุยกับเขาทำไมรู้ไหมคุยดีๆเขาก็โกรธคุยยากจริงๆคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยนะเชื่อมโยงไปหาอะไรเขาก็มีข้อแม้สารพัดเต้นไปหมดเลย เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยนะกลัวเลยกลัวมาถึงทุกวันนี้เลยกลัวคนเข่าที่สุดเลยทีนี้ปัญหาว่าถ้าเราเข่านี่สิทาไงคันี่ตอนนี้แปงว่าเรามันน่ากลัวที่สุดเลยนะทํายังไงเนาะจะให้เลิกกลัวตัวเองถ้าหายกลัวตัวเองก ท, ทีนะี้ให้ฉลาดฉลาดคุยรู้เรื่องง่ายๆน้อยเพราะฉันพูดสนี้ทำให้อายตัวเองอ๋อเหรอทีนี้เกิดเลยนะ <c oughs> ใชะ่ดีแล้วดีแล้ว เจริญเทององเช่นสมมาทิฏฐิเนี่ยนะไม่เคยเคยเอาเรื่องกรรมสกตามาคิดเลยไม่เคยมลยบอกเออนีอ่สัมมาทิฏฐินะองค์แรกหมายความว่าสมัมมาทิฏฐิอ่อนที่สุดเลยอ่ะคือกรรมสกตาบัญญัไม่เคยได้ยินนี้ไห้พูดเลยก็มาสาธยายอ่นะให้แค่คิดถึงคําว่ามีกรรมเป็นข อ, ของของตนก็น้อยที่จะคิดมองเห็นคุณมลชูปับคุณมลชูมีกรรมเป็นของขอ ง, ของคุณมลชูนะ มึงชูทำอะไรนะที่ชีวิตที่ได้มาเนี่ยก็เพราะผลของกรรมนะน่ะที่บากต่อไปข้างหน้าก็จักสมควรแก่กรรมเนี่ยนะทำอะไรก็เป็นผู้รับไปทุกคนมาด้วยกรรมของตนเนี่ยนะก็ไล่เหอะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ได้ความเป็นมนุษย์อายุที่ยืนยาวผิวพรรณรูปร่างสูตทรงสุขภาพานะมีกรรมเป็นปัจจัยมันนะ่ะ แล้วก็กรรมที่วิบาะอ่ะนะ <c oughs> เหตุใหม่ที่ทําสมควรจะได้รับอะไรต่อไปทั้งก็แต่ละคนที่เรามองเห็นเราคิดไหมโดยที่สุดแม้กระทั่งหูที่เราได้ยินเสียงตอนเนี้เนะี่ยเรามีใส่ใจไหมว่าอะไรเป็นกรรมและอะไรเป็นผลของกรรมเขาต้องมาเยอะนะถ้าฝึกษาเยกแยะตรงนี้เบื้องต้นไม่ดีนะถ้ามมถามว่ <c oughs> า <c oughs> พูดภาษาง่ายๆว่าไม่รู้จะคุยอะไรด้วยเลย ถ้าคุยให้มันเป็นหลักวิชาตรงๆเลยนะลงรายละเอียดเนื้อหาว่าอันนี้คุณควรกำหนดรู้นะอันนี้คุณควรละอันนี้คุณควรจะริญอันนี้คุณควรทำให้แจ้งไม่มีอะไรจะคุยกับเขาจริงๆเลยถ้ามันมุดไปหมดเลยนะขึ้นหัวก็แล้วขึ้นท้ายก็แล้วแยกยอนไม่าจะเอาสูตรไหนมาทามาทั้งปวงเป็นอนันตตามจะง่ายกว่าเพื่อนหม่อยนคือมันจะได้รีบจบสักทีอย่างนั้น ท่ทานก็เนี่ยอนุรักษ์อวิชาเอาไว้มากเลยนะจะรู้จะรูกะ้ ก, กว่านี้ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยถามว่ถาถ้าไม่รู้กรรมสกัดตานะแล้วโดดเข้าไปพิจารณาวิปัสสนาน่นเลยนานุปัสสนาเลยเนี่ยถามว่าคนนั้นเนี่ยนะแล้วเขาเขาจะไปทางไหนก็คิดดูนะสมมตินะอะไรกรรมไม่รู้เลยคิดทุกอย่างไม่เที่ยงหมด ถามว่าจะได้อะไรม า, านะทุกอย่างไม่เที่ยงตัดแก้วแต่เออไม่เที่ยงเดินชนนั่นเออมก็ไม่เที่ยงถ้าตายก็ไม่เที่ยงคิดทุกอย่างไม่มีความรับผิดชอบเล ย, เ, ยเท่าที่รู้จักอะไรก็ไม่เที่ยงหมดอะไรก็ไม่เที่ยงหมดโดยที่กรรมมสกตามไม่ดีนะไม่มีความรับผิดชอบเอาเลยคนนั้นคนที่เจริญแบบนี้นะกับคนที่คิดว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดคนนั้นเจ้าเล่ที่สุดเลย ยอมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคิดแต่เรื่องอนตาตาเขาพูดอะไรผิดมาก็บอกมันเป็นอนนตาถ้าเขาทาอะไรไม่ดีบอกมันเป็นอนนตาทุกอย่างโยนให้อนาตาหมดเลยแล้วก็บางคนที่ศึกษาธรรมะไม่ดีก็บอกไม่ควรยึดมั่นกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละไม่รู้ไม่ยึดมันไม่ยึดอะไรก็ไม่ทราบสักอย่างนะรู้ว่าไม่ต้องยึดอะไรสักอย่างนะก็เลยกลายเป็นคน ไม่มีจารณาเอาเลยเนี่ยนะทิ้งจารณะหมดเลยเีนก็ใหม่ดีอินทรสังวรก็ใช้ไม่ได้โพชเนมตันยุตาก็ใหม่ไว้ชาคริยานุโยกไม่มีในหัวใจเลยอย่างนเงี้ยนะแล้วก็ก็กลายเป็นคนลักษณะนั้นไปซึ่งการศึกษาพระธรรมในยุคนี้เนี่ยอย่างคําว่านิพานเป็นอสังขตะทุกขศัพท์เป็นสังขตะใช่ไหมนิพานเป็นอสังขตะก็เลยอนิพานไม่มีอะไรนิพานเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะมันเป็นอสังขตะพอพูดถึงคำนี้พัฒนิพานเนี่ยนะเออมันอสังขตะมันไม่มีอะไรมันเป็นความสงบทุกข์มันไม่มีทุกข์อยู่เลยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปเสียงลิ่นรถโปธาบ้าไม่มีปรตตวีอาโปเตโชวาโยจะเพียบนบรรลไปทำอะไรมันก็มันไม่มีอะไรใช่ไหมมันเหมือนอากาศาาาถ้าศึกษานิพานไม่ดีนะ พวกนี่ขี้เกียจที่สุดเลยไม่ต้องการเจริญอะไรทั้งปวงทั้งๆ ท, ที่อารยมรรคเนี่ยโหเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะเป็นเรื่องที่เรียกว่าพูดแบบโบราณหน่อยบอกทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปเจริญกันนะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นสละบ้านสละช่องสละเรือ่องสวนไร่นาสละทรัพย์สมบัติโดยประการทั้งปวงเพื่อไปเจริญมรรคอะ่ะเขาทุ่มเทกันขนาดนั้นนะเพื่อจะบรรลุนิพพานพอในยุคหลังมาบนิพพานมันไม่มีอะไรก็เลยสบายมาก น, นี่นะคโ อ, เอ้เกือบแล้วเกือบแล้วศาสนาเนี่เกือบหมดจริงๆเชื่อเลยเมื่อก่อนนี่มองไม่เห็นว่าพุทธศาสนาจะหมดได้ยังไงตอนหลังนี่เห็นชัดเลยว่าจะมีอยู่ต่อไปได้ยังไงนี่มาคิดใหม่เออจะเป็นไปได้ยังไงจะมีอยู่ต่อไปได้ยังไงเราจะรักษาศาสนาได้ยังไงดาวฤนษ์เคยคิดไหมเราจะรักษาศาสนาได้ยังไง น, นี่นะศาสนาคืออะไร คุพยาศาสนาคืออะไรนั้นสอย่างสิกขาสามนะแเราจะรักษาสิกขาสามได้ยังไงเราไม่ต้องไปถามว่าคนอื่นจะมีสิกขาสามได้ยังไงไม่ต้องคิดนะนะแค่เราเนี่ยจะรักษาศาสนาคือสิกขาสามในจิตเราได้ยังไงนี่ยนะช่องทางที่จะเจริญไกลสิกขาเราจะเจริญได้ยังไงรู้เลยว่าง่ายไหมไม่ง่ายนั้นศาสนาจะรักษาได้ยังไงอ๋ออะไร แค่ถ้ารักษาจะให้ตัดเสื้อให้ว่าเออเนี่ยพุทธศาสนาอันนี้ทรไม่ยากนะแค่ทำสลากไปให้ใช่ไหมอันนี้ไม่ยากแต่ว่าเจริญให้จิตเป็นไปกับสิกขาจริงๆเนี่ยยากมากที่ยากอย่างนั้นก็อย่างว่านะเพราะว่าหมูสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิกขาอยู่แล้วเนี่ยคือปกติของหมูสตัตว์นี่มาดูถึงความสำคัญของมัดแต่ตามลำดับนะมามาพูดถึงมัดที่เป็นโลกิยก่อนนะ พูดถึงตามลำดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่พระโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแปลว่าสำคัญมากว่างั้นถะถ้าจะนิพพานนะถ้าจะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยสำคัญที่สุดคือความเข้าใจให้เข้าใจก่อนว่าอะไรมันเป็นอะไรปารนาความพ้นทุกข์ไอความพ้นทุกข์มันคืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะ อันนี้ต้องมาทําความเข้าใจให้ดีๆพราะสัมมาทิฏฐิคือการทําความเข้าใจเพราะสัมมาทิฏฐินี้พระองค์ตรัสเรียกว่าประทีปอันโพลงทั่วคือปัญญาศาสตราคือปัญญาเป็นต้นต้องปัญญาเหมือนแสงสว่างเห็นชัดเลยพระโยคาวจรผู้ทําลายความมืดคืออวิชชาด้วยสัมมาทิฏฐิกล่าวคือวิปาาัสสนาญาณในกาลส่วนเบื้องต้นแล้วฆ่าโจรคือกิเลสอยู่ย่อมบรรลุนิพพานได้โดยปลอดภัย อันนะหนก็ต้องฆ่าโจรก่อนนะถึงจะสงบภัยได้จริงอันวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาเปรียบเหมือนเหมือนอะไรเหมือนสาสตราว่างั้นเถอะเหมือนสาสตราที่คมกล้า ม, มากที่จะฆ่าหมูโจรคือกิเลสอันนะั้ถ้าฆ่ากิเลสได้แล้วจึงจะปลอดภยัยด้วยเหตุนั้นข้าพาเจ้าจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่พระโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อ บรรลุ涅槃เนีน่ยนะนะท่านก็ขอให้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะขอให้มีสัมมาทิฏฐิเราปรารถนาขอให้มีปัญญาเข้าใจบ้างไหมว่าปัญญาเขารู้อะไรปรารถนาปัญญาหลือเกินปัญญาเขารู้อย่างไงปรารถนาขอให้เรามีวิปัสสนาขอให้เจริญวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาเขารู้อะไรเขารู้อย่างไงเนี่ยะอันะนะี้ต้องทําความเข้าใจให้มันได้ก่อนนะั่นะสุตมายาญาณให้ดีๆเลยแหละเนี่ยนะ ถ้ายังไม่ดีก็ต้องขวนขวายกันละเนี่ยถ้าไม่ขวนขวายก็ยังว่านะก็จะเจริญกรรมสการตาเข้าไว้เถอะหนึ่งในองค์ที่จะทําไม่มีปัญญา <c oughs> คิดเรื่องกรรมเอาไว้เยอะๆเนี่ย น, นอันหนึ่งสัมมาสังกัปปะเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่สัมมาทิฐินั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัดไว้ในลำดับสัมมาทิฏฐินั้น เปรยเหมือนเฮรันยิคคือผู้ดูเงินเนี่ยใช้มือพลิกเงินกลับไปกลับมาแล้วตรวจดูกะหัปะนะด้วยตาย่อมรู้ว่ากะหัปะนะนี้เกกะหัปะนะนี้ดีฉันใดแม้พระโยคาวาจรก็ฉันนั้นใช้วิ ต, ตรึกแล้วตรึกแล้วในการส่วนเบื้องต้นแล้วตรวจดูอยู่ด้วยวิปัสนาปัญญาก็จะทราบได้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกามาวจรธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเป็นรูปาวาจรเป็นต้นถ้าไม่ตรึกถึงเช่นถ้าไม่ตรึกถึงกุศล ไม่ตรึกถึงอกุศลไม่วิปักกะถึงปัญญาจะาเห็นกุศลอกุศลไหมถ้าไม่ตึกถึงคําว่ากุศลจะแยกออกไหมว่านี้กามาวจรกุศลนี้รูปราวจรกุศลนี้อรูปาวจรกุศลถ้า <Kend use. S 1> ไม่ตึกอย่งนี้จะแยกว่ากามาวจรกุศลเป็นฉไนจําแนกเป็นอย่างไรบ้างรูปาวจรกุศลเป็นฉไนวิบากแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นฉไนถ้าไม่ตรึกถึงถ้าไม่ใส่ใจถึงถ้าไม่นึกถึงก็ ลำบากมันวิตกนี่จึงสําคัญมากเนะี่นะใครอยากอ่านหนังสือแต่ขี้เกียจพลิกเหลือเกินนะี่ยหวังว่าจะจบไม่เล่มนั้นนะเนะ่ก็เห็นแต่สันตกอย่างเดียวแหละทันทีปัชนาในยุคใหม่เขาไม่ให้นึกไม่ให้ตรึกไม่ให้คิดเลยนะี่คือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นห้าม น, นึกให้มันโผล่ขึ้นมาเองอ่ะนะท่านบอกว่า <c oughs> พวก น, นั้นมัน ที่เรื่องการคิดเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องราวถ้าพูดถึงว่าถ้าจะศึกษาเรื่องกุศลหรืออกุศลต้อให้มันเกิดสภาวะกุศลเกิดแล้วนั่นแหละจะเห็นสภาวะของกุศลไหนอย่างนั้นวิเศษมากไม่ต้องตึกไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไร่อยให้อกุศลเกิดก็พิจารณานั่นแหละอกุศลจะได้รู้ทันทีนั่นแหละอกุศลสาธุขอให้ได้ห่างคนอย่างนั้นเป็นร้อยยศพันยศ ห่างเลยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เราไฟไหม้บ้านนั้นต้องไหม้ก่อนนะจึงค่อยคิดวิธีดับอนยะ่างเงี้ยเดื อ, รอดร้อนแะน่ตกนรกก่อนแล้วค่อยรู้เออไฟนรกมันร้อนอย่างเงี้ยนะคือหลายๆเรื่องนะอหลักการบางอย่างนั้นฟังเหมือนดูดีนะสําหรับคนที่เรียกว่าขี้เกียจเกียรคร้าเนะี่ยดูดีมากเพราะว่าไม่ต้องเพียรอะไรขึ้นเลยมหมายว่าอยู่ๆแค่นี้ๆหน่อยๆก็อา้าเนี่ยฉันคือนักวิปัสสนาเนีนะนะฉันคือนักปฏิบัติ คือคือแค่เรื่อว่าไม่ต้องภาคเพียรอะไรนะได้ยี่ห้อมาประทับตาให้ตัวเองได้เลยเนะี่ยโอ้เป็นคนที่เจริญกรรมาฐานแล้วไม่เท่านั้นนะดูหมิ่นผู้อื่นด้วยอดูมิ่นด้วยว่าใครไม่รู้อย่างฉันนะแกน่าสงสารที่สุด น, น, นะเพราะแกไม่รู้แบบฉันทั้งสูงสงโอ้เนรูาบเปนต้นอะไก็น่าเห็นใจมากๆนะนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยใกล้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วทั้งตรงนี้เราทั้งหลายที่ ข้อมาเชื่อว่าทําใจเป็นนักศึกษากันใช่ไหมถ้าทําใจเป็นนักศึกษาข้อมาแยกแยะเธออะไรเป็นอะไรถ้าไม่แยกแยะให้ดีๆนะทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองอยู่แล้วแหละไม่ต้องหอ่วก็คัมภีร์ก็แสดง ต, งต้องอยู่อย่างนี้ชัดๆอย่างนี้สัมมาสังคฆปะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทิฏฐินะฮะเปรียกมุนเหรันยิกเนี่ยใช้มือพลิกเงินกลับไปกลับมาส่งอุปมาอุปไม่ว่าชัดเจนมากเลยอื <c oughs> หรืออีกใ น, นหนึ่งนะก็มาดูก็หรือว่าเตรียบเหมือนช่างถากใช้มีดถากท่อนไม้ใหญ่อันบุรุษจับตรงปลายพลิกกลับไปกลับมาโดยรอบให้แล้วย่อมนําไปในการงานได้ฉันใดถากไม้นะถ้ามีดนะมันฟันลงที่เดียวถ้าไม่มีการพลิกนะไม้นั้นขอดขาดเลยถ้าไม่มีการพลิกนะฟันนะไอ้กิริยาที่ฟันเนี่ยแต่ถ้ามีการพลิกมันก็จะเกิดการกล่าวได้อย่างสวยงามแต่ถ้าฟันอยู่แต่ที่เดิมเนี่ยนะต้นไม้นั้นไม่ต้องใช้งาน ปัญญาก็เหมือนกันนะนะพระโยคาวาจรก็ฉะ น, นั้นกำหนดธรรมทั้งหลายอันวิตกตึกแล้วตึกแล้วได้แล้วโดยในเป็นต้นว่าธรรมะเหล่านี้เป็นการมาวจรนี้เป็นรูปาวจรเป็นต้นเนี่ยนะด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็น้อมไปในการงานได้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าก็สัมมาสังกปะเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่สัมมาทิฏฐิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสัมมาสังกัปะไว้ในลําดับสัมมาทิฏฐินั้น แต่สำคัญที่สุดนะให้มีสัมมาทิฏฐิก่อนนะแล้วแล้วคิดตามเพื่อที่จะให้สัมมาทิฏฐิเกิดแต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้ซากอย่างแล้วเป็นนักคิดตั้งหลักคิดอย่างเดียวดูว่อะไรจะเกิดขึ้น